เรืหญิงรักษาอุโบสถกรรมพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในบุพารามของนางวิสาขามาหาอุบาสิกาในนครสาวัตถีทรงปรารคอุโบสถกรรมของอุบาสิกาทั้งหลายมีนางวิสาขาเป็นต้นดังได้สดับมาในวันอุโบสถวันหนึ่งหญิงประมาณ500อในนครสาวัตถีไปสู่วิหารรักษาอุโบสถ นางวิสาขาได้ถามหญิงทั้งหลายผู้สูงอายุว่ารักษาอุโบสถเพื่ออะไรหญิงเหล่านั้นตอบว่าปรารถนาทิพยาสมบัติถามหญิงอีกพวกหนึ่งวัยกลางคนตอบว่าต้องการพ้นจากการอยู่ร่วมกับสามีถามหญิงสาวตอบว่าเพื่อต้องการได้บุตรชายในการมีคันคราวแรกถามหญิงสาวน้อยตอบว่า ต้องการเปี่ยสูสกุลสามีแต่ในวัยสาวสาวนางได้ฟังแล้วเข้าไปเฝ้าพระสัสดาทรงตรัสว่าวิสาขาธรรมดาสภาวะธรรมทั้งหลายมีชาติคือการเกิดเป็นต้นของสัตว์เหล่านี้เป็นเช่นกับนายโคบาลที่มีท่อนไม้ในมือชาติทรงสัพพสัตไปสู่สำนักชราทรงไปสำนักพยาธิคือเจ็บป่วย ส่งไปสํานักโมระคือความตายย่อมตัดชีวิตดุดตัดต้นไม้ด้วยขวานแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นปวงสัตว์อันชื่อว่าปรัธนาวิวัตตะคือพระนิพพานย่อมไม่มีมัวแต่ปราธนาวัตตะเท่านั้นทรงตรัสเป็นพระคาถาว่านายโคบาลย่อมต้อนโคทั้งหลายไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ฉันใด ชราและมาจุราชย่อมต้อนอายุของสัตว์ทั้งหลายไปฉันนั้นในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละ